พิจารณาทบทวนเรื่องความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีภพภูมิต่างๆกันตามกฎของกรรมจบลงในมัชชิมะยามแล้วก็พิจารณาอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทํากรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงจบลงในปัจชิมยามช่วงนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาจบ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 คืนน้อมสิสมาธิมันก็ถอน